ความตื่นเต้นของพี่ปูครับมาต่อกันที่ความน่ากลัวของเรื่องนี้ครับของคุณคิงถ้าเรื่องไหนไม่น่ากลัวนี่ต้องบอกเลยนะว่าคุณคิงไม่เอามาเล่าอย่างแน่นอนฮะแล้วตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณคิงได้เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่6ในค่ำคืนวันนี้กันครับสวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับพี่แจ๊ครับผมคุณคิงสบายดีนะ ก็เรื่อยๆครับพี่เหมือนเหมือนเสียงเหมือนจะป่วยไม่ครับไม่ป่วยนะปกตินะนะฮะตอนนี้โทรมาจากที่ไหนที่เดิมครับพี่ที่ที่เดิมคืออุคุณคิงอยู่หลายที่มากเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเดีอยู่ที่สาแก้วนะนะฮะวันนี้สาแก้วฝนตกไหมฮะตกครับตกช่วงหัวค่ําครับผมอ่าโอเคเหมือนเหมือนคุณคิงไม่สบายหรือคุณคิงเพิ่งตื่นหรือยังไงฮะเนี่ย ไม่สิแค่เล่าฟังเรื่เมื่อกี้อยู่เลยอ๋อโอเค <laughs> แล้วจมูกมันทุดทรฟนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นไข้อะไรครับอ๋อโอเคดูแลรักษาสุขภาพมาเหมือนเดิมนะ ค, คิดถึงเลิบเลิบเหมือนเดิมมาว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่คุณคิงได้ฟังมาจากนักกีฬาท่านหนึ่งเป็นนักกีฬาเกี่ยวกับเป็นกีฬาวีลแชร์บัสตินวอลครับอ๋อโอเคนะครับ เป็นทีมชาติด้วยนะฮะโอเคโอเคเขาเล่าให้ฟังเรื่องของตั้งใจเล่นเป็นยังไงฮะคุณคิงเรื่องนี้เชิญครับเรื่องนี้จะต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีจุดแน่นอนอย่างเมื่อกี้นี้พี่บัตรก็เลยถามว่าต้องบอกก่อนว่ามาจากจังหวัดไหนแต่เรื่องนี้คือมันไม่ไอยู่เป็นที่ครับแต่มันเริ่มต้นจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับเริ่มต้นจากร้อยเอ็ดครัืคือว่าคุณบอลเนี่ยนะเขาเป็นเป็นเด็ก คนรุ่นที่เกิดมาในครอบครัวที่ก็มีธุรกิจส่วนตัวนะครับรก็ทําธุรกิจส่วนตัวอนะันนี้ว่าเขาก็เนคนที่ช่วยพ่อแม่คําในการช่วยพ่อแม่ทําเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่วัยรุ่นทั่วไปครับจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรที่พ่อแม่เขาทากันทีนี้ที่บ้านของคุณบอลเนี่ยเขาก็จะมีมีอสินแฉจริงๆบ้านคุณบอลเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นชาวจีนอะไรเลยไม่ได้ประกันเดียว ไทยเอาร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าคุณแม่ท่อนข้างจะเชื่อในเรื่องของสินแสซึ่งตรงนี้ก็ยอมรับว่าหลายท่านหลายท่านเลยแหละแม่นที่เราได้ยินกันมาออืท่านนี้ว่าความที่มมเขาเเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องพวกนี้หรอกแม่ให้ไหวก็ไหวแม่ทําก็ทำแต่ความเชื่อส่วนตัวเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อแน่นอนมันก็มาถึงข่าวที่สินแสเนี่ยทันทีที่เห็นหน้า บอลในครั้งเนี้ยเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่ารู้ไหมว่ามีเจ้ากรรมใยเวรมาถึงตัวแล้วนะออืกําลังจะเอาคืนออืเขาก็แบบอืมเหรอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยครั บ, มรบไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วทนันทีคนที่เป็นแม่เนี่ยเขาก็กลัวมากพอ ก, กลัวมากเสร็จเนะี่ยเขาก็ถามซึ่งแสงแสงก็อบอกประมาณว่าคือกําลังจะมาถึงตัว มันจะเกี่ยวเนืงรื่องอะไรก็ก็ยังไม่รู้แต่ระวังไว้คือคนเป็นลูกเนี่ยเฉยๆฟังแล้วเฉยๆแต่คนเป็นแม่เนี่ยเป็นห่วงใช่ครับอ๋ออ๋อทันทีคนเป็นแม่ก็กรุ่งใจไงรุ่งก็เลยมาขอคุณบอลว่าไปบวชไม่้องไปบวชที่ที่ร้อยเอ็ดที่ว่าพ่อกับแม่รู้จัดเนี่ยครับเขาก็บอกว่าก็ถ้าแม่สบายใจก็ได้เขาดูบอลยิ้ไม่ได้ขัดอ่าไม่ขัดกับคุณพ่อคุณแม่นะคุยกันอะไรก็ได้ แม่ก็ขอให้ไปบวชเป็นเลนพอไปบวชเป็นเลนเนี่ยตอนนั้นเขาอายุยี่สิบกว่าแล้วนะแต่ให้บวชเป็นเลนเหมือนกับแค่เอาเคล็ดเฉยๆเพราะถ้าบวชเป็นพระเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาหน่อยครับแ่นเลยแค่บวชเป็นเลนเฉยๆก็ไปบวชท่นี้จัด ก, การที่ไปบวชเนี่ยจากที่ไปอยู่แล้วไม่รู้จักใครเลยก็จะเริ่มมีเด็กรุ่นราวเขาเดียวกั น, กนหรือว่าอ่อนกว่า เข้ามาสนิทสนมด้วยเพราะว่าก็ยังเป็นเลนและยังเป็นหนุ่มแบบเริ่มต้นใหม่ๆหมอ่ะยี่สิบวารบเขาก็สนิทกันแล้วก็จะมีการทำกิจกรรมต่างๆตามาสาคนเป็นเนนซึ่งของสิ้นสิบอะเนาะก็ไม่ต้องระวังอะไรมากมแต่จะมีไปนู่นไปนี่ไปนั่นมานั่งเล่นกันมารวมตัวกันคุยกัน แ, แลวกิจกรรมประหลาดที่โดยส่วนใหญ่เด็วกวยรุ่นมันจะทาเงินก็มาถึงก็คือการเล่นดินแก้ว ซึ่งทุกคนเนี่ยเป็นเด็กวัดหมดครับเศรือแต่คุณบอลเนี่ยเป็นเลนอือตอนนี้ไอ้เ่าทุกคนเขาลงมติว่าโอเคก็คือโอเคผมก็เลยถามคุณบอลว่าแรงจูงใจที่จะเล่นมันมีไหมเขาบอกว่ามีมาเริ่มจากการที่เด็กทุกคนเนี่ยมาเล่าเรื่องผีให้ฟังแล้วการเล่าเนี่ยนั่งเล่ากันที่ข้างๆโบสถ์คือเข้าไปอยู่ในเลืรั้วโบสถ์นะครับออ่าแต่ว่าก็คือนั่งเล่ากันตรงนั้น ตัดสินใจไปหาถ้วยหาอุปกรณ์กันมามันหาอะไรไม่ได้ในกระดาษที่จะทํามันมีกระดานมันมีถ้วยไอ้แก้วที่มันมันไม่มีเมียเท่าน้ำจิ้มก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเล่นเป็นเหรียญผี่เหรียญหาง่ายกว่าใช่เพราีเหรียญหาง่ายกว่าเก็เลยเล่นกันครับเล่นอย่างนี้ทุกวันหลังจากที่คุยเรื่องผีเสร็จคนนั้นก็หาเรื่องมาเล่าคนนี้ก็หาเรื่องมาเล่าเล่นทุกวันเลยเล็นกิดทายกันเล่าเรื่องผีทุกวันเหรียญไม่เคยขยับออื แต่ในทุกวันเนี่ยมันจะมีอยู่เรื่องประหลาดอยูเรื่องนึงก็คือที่มุมสุดของโบสถ์ซึ่งก็เป็นรั้วเหมือนกันนะัจะมีรัวล้อมจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนเหมืนอนรอใครสักอย่างวันเลยแล้วมาเวลาที่เล่นกีเหรียงเนี่ยทุกวันจนในที่สุดวันที่ห้าเหรียนขยับเป็นครั้งแรกก็เลยเริ่มไม่มั่นใจกันว่า การที่เล่นกันมาทั้งสี่วันเนี่ยเราไม่ขยับเลยวันที่ห้ามันมีใครตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งห่ือเป่าวะเมื่อ ต, ตางคนต่างเลงกันคแต่เรื่องประหลาดก็คือในวันนี้ผู้หญิงคนนี้ก็มาและก็หายไปซึ่งเม่อผมฟังถึงจุดนี้ตอนแรกผมก็ยังไม่รู้จักใครนะรมาแล้วก็หายไปแต่นี่เป็นวันแรกที่เหรียญขยับได้ครับแต่ก็ไม่ได้อะไรมากแล้วก็เลิกเล่นกันหลังจากนั้น ก็อเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้กับพระที่ท่านอยู่ที่นั้นฟังพระท่านก็บอกว่าไปเล่นอะไรพี่เลนแต่ก็ไม่ใช่ของจริงเท่าหรอกด้วยความที่คุณบอลเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่สนใจอะไรอยู่แล้วกับเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยเชื่ออีกแล้วก็เลยไม่ได้ใส่ใจกับคําพูดแล้วมันก็จะมีการพัฒนาวัดโดยรอบจนในที่สุดไปถึงจุดที่เห็นผู้หญิงคนนั้นวินอยู่ทุกวันแล้วเขาก็ได้เห็นจริงหนึ่งก็คือรูปของผู้หญิงเนี้ยที่อยูที่ท่านกาแพงวัด เป็นรูปที่ติดอยู่ข้างกําแพงครับเป็นผู้หญิงคนนี้เขาเห็นทุกวันนั่นแหละเออถ้าเป็นรูปที่ติดอยู่ออข้างกําแพงแน่นอนว่าไม่ใช่คนแล้วนะะใช่ครับออก็เลยตัดสินใจไปเรียกหนิงตาองค์ที่เคยเล่าให้ฟังนะครับที่เคยท่านมาเป็นมิมนหนิงตาที่เดินมาไล้่ท่านบอกพูดให้ฟังว่าคนนี้เป็นใครหนิงตาเขาบอกอ๋อคนนี้โดนรชนตายครับแล้วก็คนท่านจะเหยียนอยู่ระยะนึง น, นี่แหละอืมทําไมลนะ่ะผู้หญิงที่ผมเจอคือคนนี้ครับ ดวงตาต้องมีอาการกังวลแล้วก็บอกให้เรื่องทำอย่างนี้ซือก็ท่นนี้พอถึงเวลาผ่านไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงครับ ม, มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่มันจะตามมาจากเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เขาต้องทำมาตลอดชีวิตอืออันนี้พอเลือสึกไม่สนใจเลิกไม่สนใจเลือดศึกอะไรทฉะนั้นครับเขาอยากเลสอึกอย่างเดียวเลิอกอะไรไม่ฟังออืก็เลยต้องสึกพอสึกเสร็จก็กลับมาทำงาน แลนี่พอกลับ ม, มาทำงานเสร็จผมเนี่ยจากการที่เคยเจอชินแสคทักครั้งแล้วก็มาเจอครั้งนี้ชินแสก็พูดเหมือนเดิมอีกซึ่งไปบวชมาแล้วแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นครับแต่ชินแสพูดขึ้นมาคํานึงบอกว่ารู้ไหมว่าครั้งนี้เข า, า, าจะเอาให้ได้อมันมีอยู่สองอย่างที่หนักหนักและจะพูดกันให้ชัดเจนค่ะและชินแสก็มองมองข้ามไปข้างหลังของคุณบอลต่อแล้วก็พูดต่อว่าเขาให้เลือก คุบอลก็ถามาเลือกอะไรครับอ อ, บ อ, อเืเลือกระหว่างตายกับติดคุกนี่คือข้อที่หนึ่งเลือกระหว่างตายกับติดคุกนี่คือข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองคือพิการบนหรือล่างเลือกเาอาออเขาก็เขาก็คือเข้าใจอารมณ์ของคนที่ตอบไม่ได้คิดอะไรเลยครับแต่ถ้ามันจะต้องเลือกเพราะโดนโยนมาให้เลือกเขาก็เลยว่าสมมติว่า้ามันจะเป็นจริงเลือกให้มันพิการล่างดีกว่า เพราะว่าไม่อยากติดคุกไม่อยากตายไม่อยากพิการข้างบนเพราะถ้าพิการข้างบนเนี่ยมันอาจจะมีการผ่าตัดสมองอาจจะเป็นคนแบบเป็นเอ๋เป็นอะไรเงี้ยเขาช่วยตัวเองไม่ได้เขาไม่เอาแต่ถ้าข้างล่างเนี่ยเขายังสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้บ้างออืเขาคิดอย่างนั้นเขาเล่าขององเตอบไปแบบไม่ได้คิดอะไรออในขณะที่เขาไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละออกจากบ้านวันนั้นเลยสี่รถไปถึงสีแยกรถกระบะมาจากไหนไม่รู้มองไม่เห็นชนเขา ต้มสันั่นหลับเลเื่องเล <şeyi? S 1> ื่องเบื่อขึ้นมาทียังอยู่ข้างถนนอยู่เลยเ<อ>พราทุกคนคิดว่าเขาตายเลยไม<อ>่มีใครขยับเขาไปลงโรงพยาบาลหรืออะไระเลยแรงมากเขาก็เลยจัดทินงใจขอให้คนไปบอกกับแม่เขาซึ่งจอมรันก็ค่อนข้างสัมผักเขาอยู่ก็ให้ไปตรงนี้ก็เข้าไปเข้าไปผ่าตัดไปทำอะไรอืรอก็ปรากฏว่าช่วงล่างครับเป็นอ่าอาัมาพาตมาจนทุกวันนี้ เฮ้ยเดี er ๋ยวนะตอนแรก ท, todos, ท you you say, ี่บอกว่าเป็นนักกีฬาอบิวแชร์ผมนึกว่าเป็นเป็นมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับเฮ้ยเป็นเพราะเรื่องนี้เลยเหรอใช่ครับโอ้และทันนี้พอพอเขาโดน่ารถชนอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยครัเขาก็เป็นอย่างนี้แหละระหว่างนี้สิ่งที่มันเกิดขึ <S <S ้นอืเรื่อยๆเลยก็คือเขาอ่ะ มักจะเจออุบัติเหตุแบบคาดไม่ถึงทั้งที่มันไม่น่าจะเกิดอย่างเช่นตอนที่เขาไปสนับสนุนโครงการเมาไม่ครับต้องเป็นพรีเซนต์เหมือนกันให้เห็นแล้วว่าเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุทางรถมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาเป็นอะไรเงี้ยต้องไปเหนจะไปเป็นวิาทยาคารให้คนเห็นเป็นวิาทยาคารเป็นตักต า, าเตือนสติเตืนใจกันออืแล้วทุกครั้งที่เข้าค่ายอย่างเงี้ยเข้าร่วมพิธีอย่างเงี้ยจะมีรถที่จะต้องแหกนานมาเพาะเมาแล้วจะพุ่งชนเขาทุกครั้งเลย และหลังจากที่เขาเห็นรถจะพุ่งชนเขาเลี่ยแตเขาก็จะผ่านนะที่ฟังแต่เขาจะเห็นผู้หญิงคนนึงครับคือผู้หญิงคนนั้นคนในอดีตที่เขาเคยเล่นผี่เหรียญแล้วเห็นผู้หญิงที่เคยอยู่ตรงตรงวัดใช่ครับเหรอเขาจําได้เลยว่าเป็นผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีดำเหมือนชาวอีสานมาสมัยโบราณแล้วใส่ผราถุงสิงต่างๆยืนมองหน้าเขาแล้วหัวเราะตลอดเวลาครับ ว่าที่เหตอีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งที่หลักจะเขาขับรถกลับคือในขณะที่เป็นธรรมชาติพอเชื่อตัวเองขับรถได้นะฮะขับรถได้ไปซ้อมกีฬาก็ขับรถกลับพอขับรถกลับเสร็จปุ๊บเนี่ยระหว่างที่ขับเนี่ยคือรถรถมันจะเป็นรถบัสวิ่งทางเลนขวาตัวเขาอยู่เลนกลางซึ่งจริงๆแล้วรถบัสก็ต้องเห็นรถเาตั้แรกอยู่แล้วแต่ไม่รู้มิยังไงอยู่ที่มันหักซ้ายเข้ามาเลยแบบนั้ คนที่เกี่ยวเลี้ยก็เลี้ยวจากขวาสุดแล้วเลี้ยวเข้ามาซ้ายตัดหน้ากขอเลาดเขาตั้งแต่ข้างประตูคนขับฝั่งที่เขาขับไปจนถึงไฟหน้าเลยแ ล, าาแล้วทันทีที่รถคันนี้ผ่านไปปุ๊บเขาเห็นผู้หญิงคนนี้ยืนเยูเ่เสียงดังสงนะั่นเนยแล้วก็หายไปอืเขาไ็่สงสัยว่าเขาไปทำกรรมอะไรให้ผู้หญิงคนนี้นักหนาตทงทางที่เขาเพิ่งเจอเมื่อตอนเล่นพีเอ็นที่เองอออหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้ครับ เวลาผ่านไปนานเจอเรื่องอย่างนี้ตลอดบางครั้งนะครับบางครั้งเขาบอกว่าสิ่งสนาดที่ว่าไปนอนไปแข่งกีฬาการมต่างประเทศก็ยังได้ยินเสียงผู้หญิงคนเนี้ยไปเราะอยู่ข้งนี้อ้โหแต่จะไม่เห็นเป็นตัวถ้าไปต่างประเทศอะจากเสียงก็มีแน่นอนครับพิงชาวนี่เขามีความรู้สึกเป็นกังวลตัวเป็นพ่อเนแม่ก็ต้กังวลก็ต้องเออเหมือนเป็นเหตุต้องเอออเรื่องหนึ่งที่เขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงคนนี้หรือเป็นเป็นแฟนเขาเพราะว่า คนอื่นเขาที้มีแฟนอยู่คนหนึ่งนะครเสียงคุณคิงเบาเบาเบาลงไปฮะตอนคนอื่นเขามีแฟนอยู่คนหนึ่งนะครับคบกันได้ยินไหงเพื่อนอยาดีขึ้นมานิดนึงฮะได้ยินไหมครับโอ้อันนี้ชัดเจนเลยครับครับอือือว่าพอเขามีแฟนอยู่คนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงที่ปกติทุกอย่างร่างกายแข็งครับแต่ต่อมาไม่นานเป็นมาเร็งอ ก็เป็นเรื่องนะชาว ท, ที่ฝัง่งเดิมเขาเ่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพา อ, อะไรแต่ทําให้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยหลังจากที่ฝ่ายหญิงเสียชีวิตี่กพ่อแม่โทษ ว, ว่าเป็นเพราะมาคบกับเขาครับซึ่งจริงๆแล้วมันคนละเรือ่องคนละโลกเขาเป็นนามาพาศแต่ผู้หญิงเป็นมาเลครับแต่ว่าก็เหมือนกับโผล่เสียใจอนะจนทีคนทีพยายไปโทษหมดอยงเงี้ยเขาก็บอกเขาไม่ได้เสียไม่ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขาก็เสียใจพอแรงยู่แหละแล้วปรากฏว่ายูดีดีวันที่เขาขับรถไปหาเพื่อนเขาหลังจากซ้อมกีฬาเสร็จ เพื่อนเขาบอกว่าทำไมไม่ข่าแฟนลงมาด้วยเพื่อนอเขา ม, มีใครรู้นงแฟนเสียชีวิต<ท>เพราะว่าแฟนเขานเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพ่อแม่เขาไม่ไม่ต้อนรับที่จะให้ไปงานศพเขาก็เลยไม่ได้บอกใครไง<ท>เขาก็เลยบอกว่าไม่มีเขาบอกพยาามาโกหกเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ในรถ<อ>ไม่มีพอทุกคนพูดย่างอีกเขาเลยบอกว่าอ่าแฟนเน่ยตายไปแล้วนะพูดออกมาแล้วก็เศร้าแล้วก็ร้องไห้ไปด้วย<ท>แล้วบอกกับคนอื่นอย่เงี้ยคนหนึ่งก็เลยแบบอ้าวทำไมอ่ะ เป็นมาเลยิงเป็นอะไรจะเล่าไปครับเลยไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นหรือเป็นผู้หญิงคนนี้อีกอ่านนี้ผมก็เลยถามว่าเคยมีจุดอะไรที่ทําให้รู้ไหมว่าเป็นเขาจริงๆแล้วมั่นใจว่าเป็นเขาเขาบอกข้อที่หนึ่งคือการแต่งตัวที่เขาจําได้สนิทตาสนิทใจข้อที่สองคือเสียงหัวเราครับและเขาก็มาวิเคราะห์กันกับแม่เขาว่าผู้หญิงคนนี้เริ่มแผงลิ ทำให้เขาเป็นอัมาพาตจริงหรือไม่อืสรุปว่าเขากับแม่เห็นตรงกันอยู่เรื่องหนึ่งพี่แจกย้อนกลับมาที่โรงพยาบาลตอนนี้เขาผ่าตัดคครรัับบเขาฟื้นจากพิดไข้ขึ้นมาเนี่ยจากการที่ว่ายาสลบที่นะคลืมตาตาื่เห็นนมาตอนกลางคืนอยู่ในห้องที่มีคนพักประมาณสี่คนแม่เขาก็นอนเฝ้าอยู่แต่สิ่งที่มันประหลาดก็คือเห็นผู้หญิงคนหนึง่งนั่งอยู่เตียงฝั่งตร ง, งข้ามใส่ชุดเสื้อเขนยาวสีดำ อืถ้าตายคนดิสันโบราณแล้วก็พอถุงจีนตำการนั่งห้อยขาแบ่งขาอยู่อในตอนแรกผู้หญิงคนนั้นยังไม่ได้มองเขานะจากมาเขาก็เหมือนกับสลึมสลือคล้ายๆกําลังจะหลับแล้วก็เหลือเหลือตาไปมองอีกครั้งหนึ่งผู้หญิงคนนั้นเปลี่ยนอินทิยาบทเป็นขึ้นยืนบนเตียงอืมแล้วก็กระโดดจากเตียงนี้ไปเตียงนั้นไปเตียงนี้ไปเตียงนั้นไปเตียงนี้แล้วก็หัวเลาะดังๆแล้วก็บอกว่ามือดา โอ้โหที่กระโดดไปเก่งเนี้ยงงมึงกระโดดนี้ยจำกระโดดนี้กูได้หรือเปล่าแล้วก็วเลาะและ้วกูดอ่างเงี้ยมึงจำกูได้หรือเปล่าดังขึ้นดังขึ้นเขาบอกไม่รู้ว่าหลับพลอนเราะตกใจหรือเพราะยาสลบยังคาอยู่อืมมันหลับเรื่องนี้เรับมาคุยกับแม่ที่ผ ม, มอบอกว่าย้อนกับมาที่โรงพยาบาลคุณแม่เขาบอกว่าเห็นเหมือนกันเลยคุมโปงนอนแต่ไม่คิดว่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้ที่มาเอาลูกตัวเองอ เรื่องคนมาคายแบกตรงจุดที่ว่าเพื่อนเขามาสารภาพว่าในวันที่เล่นปีเหรียนกันนับครับเพื่อนเขาหนีไปฉีข้างหลังกําแพงซึ่งมันตรงกับล็อกของลูกผู้หญิงคนนั้นทันทีครับแล้วมันตรงกับวันที่ห้าที่ผู้หญิงคนนั้นยืนรออยู่แป๊บเดียวยืที่ข้างรั้วแล้วก็หายไปเป็นวันที่เหรียญขยับคือเข้าเข้ามาได้แล้วในเขตโบสถ์บ้านเกาะผู้ชายคนั้นเข้ามาตั้งแต่นั้นเขาก็ตามเล่นคนพวกนี้หมดเลย เรื่องทำท่าเหมือนจะไม่จบตรา บ, รบจนเพื่อนของขคนที่ฉีเนี่ยเสียชีวิตลงครด้วยการที่มีผู้หญิงคนนึงมาออกไปหลังจากที่พ่อแม่ขอเลอ่าให้ฟังเนาครับเฮยแล้วตั้งแต่นั้นจอดบุญบอลก็เหมือนกัคนที่มีสัมผัสวิญญาณทางเรื่องเรื่องผีเรื่องวิญญาณเนี่ยตลอดเวลาเพราะว่าขนาไปพักไปเก็บตัวนะครับไปซ้อมไปอะไรกันเนี่ยเขาบอกว่าเลยอ่ามันจะมีการขายเส้นของคนคที่เขาเป็นเป็นทางเนี้ยนะฮะก็จะให้เล่นน้ํา ครับเพื่อให้มันชายเส้นเนี่มปรากฏว่าบอกข้างๆมีฝรั่งเสียชีวิตครับอืมเขาก็เลยเอ้ยอย่างนี้ก็ไม่ดีแล้วเฮ้ยขึ้นไปเจนดันบนดีกว่าไปร่างเล่นกันในห้องนี่าแล้วก็มองลงมาที่บ่อเห็นฝรั่งคนเดิมที่เสียชีวิตเพราะหัวใจวายกำลังว่ายน้ําำแล้วจิตเขาเปิดมาตลอดเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะผมผมกําลังกําลังงงกับเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นกับเขาอยู่ คืออยู่ๆมีสินแสมาม า, มาบอกก่อนมาเตือนก่อนว่าเนี่ยกำลังจะมีเรื่องราวอะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นในชีวิตซึ่งตัวเขาไม่เชื่อแต่แม่เชื่อแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าสินแสเป็นคนมาเตือนคุณคิงครับแน่นอนว่าเขาก็ต้องรู้ดิว่าเฮ้ยเจ้ากรรมนายเวยหรือว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร อ, อสินแสได้ใจเห็นครับแล้วก็บูด ที่มีขั้นหนึ่งชินแสเขาถามว่าเหมือนเขามองเลยหลังคุณบอลไปแล้วเขาถามว่าเขาให้เลือกสองอย่างใหญ่ระหว่างข้อแรกก็คือตายกับทิศคุอตอแต่ข้อที่สองก็คือพิการบนหรือล่างโอ้โหแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องอะไรที่มันใหญ่มากไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจจะเป็นพบที่แล้วพบไหนก็ไม่รู้แสดงว่าเหมือนกับตามข้ามพบมา อันนี้ถ้าเรามองในแง่มุมของความลี้ลับนะครับตามข้ามพบมาบเพื่อที่จะมาเอาคืนกับเขาในชาตินี้นะฮะตรงนี้ผมมองเป็นเรื่องอว่าน่าจะมีส่วนเป็นไปได้พี่แจกงกต่ถ้าถามความคิดของผมอะ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะผู้ชายคนที่เป็นเพื่อนเขาไปฉี่ใส่กาแพงตรงที่เขาอยู่เพราะว่าในระหว่างนั้นไม่ใช่เขาโดนคนเดียวนะครับเขาเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเพื่อนเขาก็โดนเหมือนกัน เหมือนผู้หญิงคนนีจะรูว่าใครที่เป็นคนก่อเรื่องตรงนี้นเขาเป็นคนชวนเล่นพี่เหรียญเพื่อนเขาเป็นคนไปชี่เลยเอาทั้งสองคนดูว่าใครจะตายก่อนแล้วหยุดจี่คนนั้นแต่สริงเพื่อนขาตายก่อนแต่เขาไม่หยุดแกทุกวันนี้เขาบอกเขาได้ยินอยู่นะเ<ก>วลาเนี่ย<ก>ไปแข่งตามต่างประเทศก็ยังได้ยินเสียงอยู่มันเขาไม่หยุดอ่ะผมว่านะ <ใช S 1> ผมว่ามันนเป็นผมว่าไม่ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะคุณคิงคุณผู้ฟัง ผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของคือแค่มาชีอารถตรงนั้นอาจจะความตั้งใจหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้มันไม่น่าจะรุนแรงขนาดนี้แต่นี่เนี่ยกะจะเอาถึงแบบเอาตายเลยนะใช่ครับเฮ้ยมันมันมั น, ม, นมันต้องมันต้องเรื่องใหญ่อะออมันใหญ่กว่านั้นก็คือชิงแสบคนนี้ไม่เคยกลัวอะไรนะครับแต่หลังจากที่ทัดทั้งนั้นแล้วอะชินแสบไม่เคยอยู่ให้แม่เขาเห็นอะไรลย รอครับ <ฮะ S 1> ระดับสินแสนะฮะยังต้องหนีอ่ะคุณไม่อยากยุ่งอ่ะโอ้เดี๋ยวถนะ้าตอนที่สินแสเข้ามาทักเข้ามาทักคุณบอลอา่าว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในชีวิตณนะตอนนั้นคุณบอลยังไม่ได้บวชถูกไห ม, ไมไแสดงว่ายังเป็นคนปกติยังมีค า, ายังยังเป็นปกติอยู่ครับแสดงว่ า, วาตอนนั้นเนี่ยสินแสท่านนี้อาจจะเห็นว่าคุณบอล เห็นแค่เฉพาะตัวเขาอาจจะยังไม่เห็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรอะไรก็แล้วแต่อาจจะเห็นแค่เฉพาะคุณบอลเนี่ยน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเลยแนะนําให้ไปหาวิธีการแก้เบื้องต้นแต่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะใหญ่โตขนาดนี้เขาเห็นเลยนะครับคือคุณบอลจะไล่ผมฟังว่าเขาพูดว่าเดี๋ยวเจ้ากรรมนายเวรกําลังจะมาถ้าเขาเห็นเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่แค่การฉี่รถกําแพงคุณคิง ถูก ม, มันจะเป็นเรื่องของพบชาติเออ<ๆ>เพราะว่าเขาเห็นก่อนที่คุณบอลจะไปบวชเหตุการณ์การเล่นผีชุวยแก้วหรือว่าการฉีดกําแพงคือหลังจากที่บวชแล้วออะบวชอยู่ถูกไหมครับ<ๆ>อ่าผมว่าอันเนี้ยเขาน่าจะเห็นเห็นก่อนน่าจะรู้ก่อน น่าจะเป็นเรื่องของภพชาติเออผมพว่าภพชาติอย่างที่บอกคับศาสนาพุทธเราบอกแล้วว่าเรื่องบังเอิญไม่มีในโลกทุกอย่างที่มันไปตกลงฝ่องชิ้นพอดีที่ผู้ชายคนนั้นไปฉี่ที่คุณบอลไปบวชทุกอย่างมันคือดนจัดเอาไว้แล้วเตียงมใจระหว่างที่ไปบวชได้ปฏิบัติอะไรบ้างให้นักเป็นเบาไหมครัือว่าได้ไปทําอะไรให้มันดีขึ้นว่าอย่างเช่นว่าเขาควรจะกลับมาตรงนี้แล้วมาโดนเอาคืนแต่บังเอิญมาในครั้งเนี้ยมาในชาติเนี้ยเขาไม่ได้ทําในสิ่งที่มันดีขึ้นเลยครับ แถมยังไปเฉี่ยวรถซ้า อ, อาจจะไม่ได้เป็นแผลในชาตินี้แต่มีความแค่ก็มาแต่ชาติที่แล้ว อ, อย่างที่บอกศาสนาพูดเราบอกแล้วครับศาสนาพูดเราเลยนะพูดเลยว่าเรื่องบังเอิญไม่มีในโลกอืออือโอ้โหฟังชื่ออ้ฟังเรื่องนี้แล้วนะี่คือผมสงสารแล้วนะแต่ก็ยังแอบอดีใจนิดนิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็สามารถที่จะผ่านจุดจุดนั้นมาได้ไม่ย่อท้อ ไม่ไม่ถึงขนาดโอ้โหเฮ้ยฉันพิการขนาดนี้ช่วงล่างทําอะไรไม่ได้เลยข้างล่างเลยนะเดินไม่ได้เดินเหินไม่ได้ต้องอยู่บนเก้า e อี้วีลแชร์อย่างเดียวแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็ยังสู้นะครับจนกลายเป็นนักกีฬาทีมชาติน ะ, ะใช่ครับแต่แรู้ไหมรับพีวีลแชร์บาสเกตบอลของประเทศละ่ะไทยเราเป็นต้องบอกว่าที่หนึ่งในแถบเอเชียเนี huh. ่ยแล้วกําลังจะป้องกันแชมป์ครั้งที่หก ครับป้องกันแชมป์การที่หกเลยครับเ น, นี่ยกาลังจะกําลังจะกำลังจ ะ, จะแข่งกันแล้วครับการเล่นบาสเกตบอลนี่คนทั่วไปนี่มวนเล่นย า, ยากอยู่แล้วนะฮะอันนี้เล่นบนวิวแชร์นะคุณผู้ฟังโอ้โหโอ้โหมันคูณสิบเลยนะโอ้โหเนี่ยอย่างน้อยเขา ก, เขาก็เขาก็มีตรงนี้ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลครับเหตุการณ์ที่เล่ามามันก็มองได้ได้สองอย่างสองแง่เหมือนเดิมแง่แรกนะครับในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเรื่องของ พบชาติเมื่อก่อนนี้เขาเคยอาจจะไปทําอะไรกันไว้อันนี้เราไม่ทราบอีกเรื่องหนึง่งเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องของออุบัติเหตุจริงๆมันก็มองได้เหมือนกันถูกไหมรับนะฮะแต่มันเป็นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีคนเตือนเท่านั้นเองมันก็เลยโอ้โหต้องมองไปทางให้น้ําหนักไปทางฝั่งฝั่งสิ่งลี้ลับมากกว่าครับนะฮะโอ้เรื่องนี้ คุณน่ากลัวครับเรื่องของตั้งใจเล่นนะครับเป็นนักกีฬาวีลแชร์ท่านหนึ่งทีมชาตินะครับมาเล่าเรื่องนี้กับคุณคิงฟังแล้วเรื่องนี้ก็มาตั้งใจเล่นนี่ผมใช้เรื่องนี้นี่ไม่ใช่ว่าตั้งใจเล่นบาสอืมตั้งใจเล่นงานคมหยตั้งใจเล่นงานตั้งใจ<ๆ>เล่นงานให้ตัวของคุณบอนเขาเนี่ยนะครับออยู่ในทางเลือกที่เขากําหนดเอาไว้จะติดคุกหรือจะตาย จะพิการส่วนบุคคหรือจะชวนขวัญล่างขอประเดินหน้าเลยอ๋ออ๋อเขาเขาเลือกต่อหน้าสินแสเลยใช่ไหมครับว่าขอพิการเป็นข้างล่างดีกว่าที่เขาเล่าให้ฟังทันทีที่สินแสถามตรงนั้นเขาก็เลยตอบตรงนั้นเลยมีบางคนนะระหว่างที่คุณคิงเล่าเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นบางคนจะเลือกติดคุกถ้าเป็นบางคนจะเลือกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันเป็นมันเป็นการตัดสินใจณช่วงเวลานั้นมากกว่า เขาอาจจะไม่อยากติดคุกก็ได้ถ้าติดคุกใครจะดูแลคุณพ่อคุณแม่เขาถูกไหมใช่ไหมฮะหรือถ้าสมมุติว่าตายโอ้อันนี้เรื่องใหญ่เลยหรือถ้าจะพิการท่อนบนอันนี้ก็หนักเข้าไปอีกผมว่าเขาน่าจะเลือกในพิการท่อนล่างดูน่าจะดูดูช่วยตัวเองได้มากที่สุดนะฮะเรื่องนี้เนาะเป็นคําตอบของคนที่ไม่เชื่อด้วยออความจริออง ๆ, ๆอาจจะตอบส่งๆอองไปก็ได้เนาะ โอ้โหสนุกฮะโอ้สองเรื่องท้ายวันนี้คุณคิงมานี่ไม่เคยทําให้ผิดหวังอีกแล้วนะครับเรื่อ ง, องตั้งตั้งใจเล่นงานว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะยังไงคุณคิงขอบกล้าคุณมากๆสาหรับวันนี้นะคุณคิงนาเช่นกันครับพี่เสียดายที่เราไม่ได้เจอกันวันมิทติ้งเดี๋ยวกาสหน้ามิทติ้งหน้าเนี่ยผมจะให้พี่บัตไปล็อกคุณคิงมาให้ได้ <laughs> <laughs> อยากเจออยากเจออยากเจอ <laughs> เ, ออเราบอกยังไม่ได้เจอกันทักทีแล้วก็เดี๋ยวขนาดประกาศอย่างนี้เลยเหรอพี่ใช่ครับ <c oughs> ต้องล็อกกันมาให้ได้แล้วก็เดี๋ยวอย่างที่อคุณคิงเคยชวนวีวีไว้เดี๋ยวเราให้หมดฝนฝนซาซาก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปจัดกันจริงๆเรื่องนี้มาได้เลยนะพี่ <c oughs> เพราะว่าทางนี้เขาผมถามไว้หมดตั้งแต่เจ้าของสถานที่เขาก็อนุญาตหมดทุกอย่างครับผมกลัวฝนอย่างเดียวไง ถ้าไปแล้วฝนฝนตกมันไม่สนุกเลยอ่ะมันทําอะไรไม่ได้เลยผมไปมารอบแล้วอมผมไปมารอบแล้วแต่ว่าเป็นแบบเป็นเด็กๆไปแล้วมันเราเข้าไปแค่ด้านหน้าเพราะเด็กมันไม่ช่กล้มแล้ว<ต>คิดว่าพวกผมจะกล้าอะไรครับก็ถ้ามาขนาดนั้น <c oughs> ผมคิดว่าพวกพี่ผมไม่ทําให้ใครผิดหวังแล้วมั้งได้คุณกิงยังไงขอบคุณมากมากนะคุณกิงนะ ครับผมครับ่นกันครับขอบคุณครับเช่นเดียวกันดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับ